แค่หายใจอย่างถูกทางสติคุณจะอยู่บนลู่วิ่งปีนี้ต่อไปแบบไม่เหนื่อยจนขาดใจไปก่อนหลายคนรู้สึกเหมือนวิ่งวิ่งวิ่งมาไม่หยุดเหนื่อยหนักพักไม่ได้ลองถามตัวเองไม่ว่าที่รู้สึกเหมือนวิ่งวิ่งวิ่งไม่หยุดเราวิ่งกันแบบไหนวิ่งตามคนอื่นบางทีเหนื่อยถึงจุดหนึ่งก็งงว่านี่เราวิ่งตามไปทาไม เราวิ่งตามใครกันแน่เหตุใดเราถึงมาอยู่บนลู่วิ่งนี้วิ่งตามความฝันของตัวเองบางทีก็ปลื้มที่มีไฟบางทีไม่เหลือแรงให้ก้าวต่อวันหนึ่งอาหางการอีกวันเห็นสายตาดูถูกจากกระจกเงาวิ่งตามศรัทธาที่มีอยู่บางทีก็แน่วแน่มั่นคงมั่นใจเหมือนใกล้เส้นชัยแค่เอื้อม บางทีก็โซเซเปไปเปมาคล้ายใกล้โดนโหหาเข้าไปทุกทีเมื่อต้องวิ่งทุกคนเหนื่อยกันทั้งนั้นแต่จะวิ่งอย่างไรให้เหนื่อยน้อยนักวิ่งที่เหนื่อยน้อยนอกจากวิ่งให้ถูกท่ายัางต้องรู้จักพักให้ถูกเวลาด้วยรู้ว่าการหายใจยาวๆช้าๆครั้งหนึ่งช่วยให้สบายตัวสบายใจขึ้นครั้งหนึ่งหายเหนื่อยไปได้หน่อยหนึ่ง แต่ถ้าหายใจยาวๆช้าๆทุกครั้งอาจกลายเป็นอึดอัดขึ้นมากลายเป็นเหนื่อยหนักขึ้นกว่าเดิมได้ต้องหายใจยาวๆช้าๆครั้งหนึ่งเพื่อให้สังเกตลมสั้นออกแล้วสังเกตว่าร่างกายต้องการลมยาวอีกเมื่อใดแล้วจะรู้สึกดีที่ได้เห็นว่าเดี๋ยวมันก็ควรยาวเดี๋ยวมันก็ควรสั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ลมหายใจเดิมไม่ใช่ตัวเดิมของใคร ไม่ใช่ตัวตนของเราจุดที่รู้สึกว่าสังเกตเรื่อยๆจนเห็นความไม่ใช่ตัวเราในลมหายใจนั่นแหละจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งถึงแม้ปลิดทิ้งได้ชั่วคราวก็ยังดีหายใจยังมีสตินี่แหละท่าพักที่ถูกต้องของนักวิ่งทุกประเภทเหนื่อยแบบไหนไม่สำคัญจะวางแผนวิ่งต่อท่าไหนไม่เกี่ยว หรือกระทั่งเอจใจว่าวิ่งผิดทางหรือถูกทางก็ไม่เป็นไรขอแค่หายใจอย่างถูกทางสติสติที่เจริญขึ้นนั้นช่วยให้คุณอยู่บนลูวิ่งปีนี้ต่อไปได้แบบไม่ขาดใจไปก่อนขึ้นปีหน้าแน่แล้ว